ประวัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนเสนอตอนที่46นกต่อเหตุเริ่มต้นช่วยชาติเราได้พยานแล้วและเปิดตัวช่วยชาติในบุญประทายเข้าเปลือก หลวตามหาบุญญาสัมปันโนได้ให้อว่าช้ำเอาไว้ว่าไม่มีทรัพย์ใดประเสริฐยิ่งกว่าอริยทรัพย์ซึ่งเรากำลังเสาะแสวงหาอยู่เวลานี้ทรัพย์นี้แลคือทรัพย์ที่จะให้เกิดความปลื้มใจจริงๆไม่มีความเดือดร้อนแฝงเข้ามาไม่มีแบบว่ามีสันแล้วมีคงแฝงเข้ามาเหมือนอย่างมี้ถ้ามีน้อยก็เย็นได้น้อยตามกำลังมีมากก็เย็นมากตามกำลังมีเต็มที่ก็เย็นเต็มที่ ได้แก่ทำด้วยกันหรืออริยัพย์าัพย์อันนี้เป็นเครื่องประดับจิตใจส่งเสริมจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมจงพยายามชะล้างสิ่งที่สกปรกรกรุงรังอยู่ภายในใจิตใจให้หมดไปหมดไปได้วยความภาคความเพียรของตนอย่าได้เห็นความภาคเพียรว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหรือว่าเป็นค่าศึกต่อตนเห็นความขี้เกียจอ่อนแอเห็นตามกิเลสตัณหาอาสวะ บงการในทางใดแล้วก็เห็นชอบในทางนั้นตามนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้เราผู้บวชมาในศาสนามุ่งอริยทรัพย์อย่างเดียวให้ตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมอริยทรัพย์ขึ้นภายในใจของตนจะมีความสุขความเย็นใจนี้คือทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐแท้คือใจนี้เองให้พยายามซักฟอกชันล้างออกโดยลําดับลําดับอย่าลดละท้อถอย หลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนได้เล่าชี้วประวัติของท่านเอาไว้ว่าเมื่อพระหลวงตาท่านได้ น, นิตที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นเป็นเครื่องยืนยันเช่นนั้นแล้วจึงมีความดำริที่จะช่วยชาติบ้านเมืองที่ประชารชานกำลังตกทุกข์ได้ยากแต่ท่านต้องการพยานหลักฐานและผู้ริเริ่มที่เกิดขึ้นเองเพราะอาริยประเพณีของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีเหตุ จะไม่คิดทำอะไรขึ้นเองโดยประศจากผลทางปัญญาหลังจากนั้นมาไม่นานนักคุณสันติวัฒนลีในดมินดันล่าสารัตมาบริจาคเป็นคนแรกคุณสันติเลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเริ่มแรกทีเดียวผมฝันว่าบ้านเมืองมีแต่คนขาดศีลธรรมเ พ, เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆในฝันนั้นผมกับน้องชายเบื่อหน่ายความเลวร้ายของผู้คนน้องชายเกิดความไม่พอใจ ยังไปตั้งระเบิดกฎชนวนเอาไว้แล้วพากันหนีผมบอกผู้คนให้หนีเขาก็ไม่หนีพากันเล่นไพ่สนุกสนานหัวรอกกันอยู่ผมก็หนีไปไปอยู่ข้างกำแพงวัดได้ยินเสียงระเบิดดังโตมก็คิดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างขณะนั้นรู้สึกตัวว่าอยู่บนที่สูงมองลงมาเห็นบ้านเรือนพังพินาศไปหมดมีแต่เศษอิฐเศษปูนแต่มีบ้านบางหลังที่คงอยู่และตึกอีกสองตึก คือตึกของโรงพยาบาลจุฬาคือตึกพปรและตึกสอกไม่ได้รับอันตรายหลังจากนั้นมาผมก็ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ต่างๆและหลวงตาที่วัดปะบันตาจได้ยินท่านพูดว่าบ้านเมืองเป็นหนี้ท่านมีเงินหนึ่งล้านบาทจะนำออกมาช่วยชาติบ้านเมืองจึงคิดอยู่ในใจว่าถ้าเรามีเงินจะนำมาถวายองค์ท่านพอดีหลังจากนั้นมาผมได้ลาบมานก้อนได้เงินบาทและเงินดอลลาร์จึงตั้งสัจญาว่า ทุกๆดอลลาร์จะกราบถวายหลวงตาทั้งหมดรวบรวมได้ 2,350 ดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น56บาทเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 27-28 มกราคมปีพุทธศักราช2541ผมได้มีโอกาสจะกราบหลวงตาที่กุติอีกครั้งหนึ่งโดยพกดอลลาร์ที่เตรียมไว้ไปถวายด้วยแต่ก็ฉุกคิดว่าถ้าจะถวายตอนนี้ก็รู้เฉพาะในกลุ่มเรา จึงอดใจไวรอเข้าไปกราบถวายองค์ท่านที่สาลาในตอนเช้าเพื่อที่คนอื่นจะได้ร่วมทําบุญกับเราด้วยรุ่งขึ้นก็ถวายที่สาลาหลังท่านฉันจังหันเสร็จก่อนถวายก็บอกคุณบรรยงคุณบรรยงบอกว่าคิดอะไรแปลกๆทําไมถึงเอาดอลล่ามาถวายผมก็ว่าไม่ผิดนะเพราะถ้าเอาเงินดอลล่าแลกเป็นเงินไทยแล้วใช้นี่ก็ต้องแลกกลับเป็นดอลล่าอีกอยู่ดีซึ่งจะสูญเสียเงินในการแลกกลับไปกลับมาอีก หลังจากนั้นจึงกราบถวายท่านเพราะกราบเรียนถวายท่านท่านก็ว่าเท่าไหรนะอีกสักครู่ท่านก็บอกว่าเราได้นกต่อแล้วในวันนั้นปรากฏว่ามีคนร่วมทําบุญได้อีก150ดอลล่าร์จึงรวบรวมได้ 2,500 ดอลล่าร์ประเสริฐมากทําไมจึงมีคนพกดอลล่าร์มาวัดป่าเหลืองตามหาบัวญานสัมปะโนได้เล่าถึงการช่วยชาติของท่านต่อไปอีกว่าลืกตาได้กล่าวว่า เราได้พยานแล้วเราได้ต้นเหตุแล้วถ้าหากว่าเหตุอันนี้ยังไม่มีก็ยังไม่แสดงนะถ้าหากว่าไม่มีเลยอาจจะไม่แสดงมีแต่ร้องแงะๆลูกลาบัวหมดท่าไม่มีเครื่องต่อสู้นี่ได้เงินสอ0พันดอลลาร์มาเป็นเครื่องมือแล้วเอาฟัดเลยขอบคุณมากๆนะเป็นประวัติศาสตร์อันหนึ่งเหมือนกันเป็นการสร้างมหากุศลจากนั้นจึงนาเหตุอันนี้ขึ้นประกาศกล้องออกสนามรบ นี้เป็นต้นเหตุแห่งการสร้างมหากรุสุลแก่ชาติไทยของเราตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพราะเงิน2500ดันดอลลาร์นี้เป็นต้นเหตุคุณสันติเล่าต่อไปอีกว่าที่กราบถวายท่านเป็นประคุมเมล์เพราะท่านเป็นพระที่มีเมตตา ม, มากท่านทาสิ่งใดทาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีตกลนร่วงไหลแน่ก่อนที่จะถวายก็ได้ติดตามดูท่านมาตลอดท่านเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จริง นี้เองเป็นมูลเหตุเริ่มต้นแห่งมหาทานมหาบริจาคอันยิ่งใหญ่ที่ธงชาติไทยปลิวสวยัยมหาชนร่วมกันบริจาคมากมายมีทั้งเงินบาทไทยเงินดอนลลาร์และเงินต่างประเทศสกุลต่างขณะนั้นประชาชนหลายคนมีความประสงค์ที่จะถวายทองคำแต่หลวงตายัางไม่รับต่อจากนั้นมาอีกระยะหนึ่งหลวงตาจึงรับบริจาคทองคาเข้าคลังหลวง การรับบริจาคตั้งแต่เริ่มต้นจะถึงทุกวันนี้หลวงตาท่านจะมีอุบายอันชันฉลาดละเอียดละ อ, อในการรับไม่ให้เป็นการแบกภาระหนักสำหรับผู้บริจาคหลวงตามหาบุญยนสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในการเปิดตัวในบุญประทายข้าวเปลือกในการช่วยชาติไทยเอาไว้ว่าวันที่8กุมภาพันธ์ปีพศรา2541บุญประทายข้าวเปลือก เป็นงานบุญประเพณีปฏิบัติของชาวอีสานโดยการที่ผู้ใจบุญนํำข้าวเปลือกไปถวายวัดแล้วทางวัดนําไปสีทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าเป็นข้าวสารเดี๋ยวไว้แจกจ่ายจะผู้ยากไร้ต่อไปบุญข้าวเปลือกเป็นงานบุญหนึ่งในสองงานที่หลวงตาอนุญาตให้จัดขึ้นณวัดต้บ้านตาทุกปีในปีนี้มีประชาชนร่วมทำบุญประมาณสาม0 0ื่คนหลวงตาได้ถือโอกาสประกาศท่ามกลางพุทธศาสนิกชนว่าเรารู้สึกสะเทือนใจมาก เมือ่อทราบว่าประเทศไทยเป็นหนี้เขาอยู่แสนล้านดอลลาร์หรัพย์นี้ก็เท่ากับนิวเคลียร์นิวตรอนนั่นเองคน62ล้านคนเป็นสัตว์ไปหมดเขามาเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอํานาจครองบ้านครองเมืองเราด้วยการยึดสิ่งนั้นยึดสิ่งนี้สารสําคัญซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเราเขาเป็นเจ้าของหมดเรามีตะลมหายใจมันมีความหมายอะไรในชีวิตเราจะไม่ยอมให้ชาติล่มจมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ พวกเราต้องช่วยกันวันนี้เป็นวันดีเป็นวันบุญประชายเข้าเปลือกเราจรึงขอรับบริจาคดันลาคเพื่อช่วยชาติเงินที่รับจากการบริจาคนี้เราจะเก็บรักษาไว้ก่อนเมื่อเห็นว่ามีรัฐบาลที่ดีและไว้ใจได้ก็จะมอบให้ต่อไปเราจรึงตายไม่ได้พวกเราต้องดูแลรักษาหลวงตาบัวหลวงตาบัวจะได้ช่วยชาตินี้เป็นคาพูดที่สื่อถึงความรู้สึกรักชาติ าศาสตร์กษัตริย์จนไม่อาจนิ่งดูได้แม้องค์พระหลวงตาจะอยู่ในสถานภาพของเพศบนบระชิตก็ตามเมื่อท่านพูดจบลงเสียงสาธุของพุทธศาสนิกชนดังตื้อก้องระทั่วบริเวณวัดด้วยความชื่นใจจากนั้นการบริจาคก็เริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติไม่มีการนัดแนะผู้มีกิจศรัทธาควักเงินดอลลาร์เงินปอนเงินไทยและเงินสกุลต่างๆถาวายกันเป็นแถวยาวเหยียด